คนมีศีหน้าหน้าตาดีผิวันรณดอายุยืนราศีขคนเกิดมาต้อรับดาศีหน้าไม่กล้าดักไม่รักลับไม่จิตในกางแล้วก็ไม่พูดเล็ดจะไม่พูดไม่ลืกมถึงเว่ารเวลาอายุอาณาประมาณนนี้ต้องไหว้การสวดมนต์กหนั่งกรรมฐานต้องเจริญภาวนาหมดอย่างที่นี่ทํากันเนี่ยเน่ยกระทำถูกใจรู้ไม่รู้เลยทําถูก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 ที่ตรงนี้จัดไว้นีมาหลายปีแล้วคนตัวได้ยินใกล้ยินก็มานั่งกรรมฐานก็จะเดินภาวนานับว่าเป็นศรีมงคลอย่างยิ่งใหญ่ทุกคนใจพอร้อนวุ่นวายเรื่องหลายอย่างมีทุกนั่งทุกนี้ตรงนี้เป็นที่จับทุกมอนที่เครื่องบินเราก็ตั้งสถานที่ไว้สำหรับพวกที่ติดตะลามในคนไทยไว้ตราตรวนก่อนเช่นเครื่องบินก่อนนำเอาไว้ทุกๆระ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 เทวดาก็ต้องอยู่ทุกสถานที่ของพระเจ้าแผ่นินแย่างสุวรรณจิตก็มีอยู่แล้วก็กรุงเทก็มีที่ภูพิงพอไปจังหวัดนครนครก็อภูบาทพอไปภกคใา้ที่นิราที่ว่าก็ตักถินิเวศพอมาไปสัวก็วางใจกางวลมีเทวดานรักจายอยู่เวลาไปเจ้าแป่ินของจักรีไปสระพิน เ้าหน้าที่ต้องมีหมดระมัดรกวาดอางกว่าเช่นไปผูบิงนี่ผูบิงนี่ที่ชุมนุมของพวกนี้มีมากเพเป็นป่าผีป่าผีโปงผีกูเขาผีผีต้องไร่ต้องน้าผีตามใจมีทั้งนั้นผีก็มาอาศัยอยู่ประาชนจะใจไปเช่นามแหล่งในหลวงจะไปในหลวงรการที่เก้าเขาต้องให้เจ้ามาปัดวางระางกวามย้า้ผีเข้ามาอยู่ไม่ออกไป ในหลวงเสด็จไปก็จะประทับอยู่ที่วังจีอีสาปดาก็ได้ไปพอท่านเสด็จประทัหนั่งก็มีพระข้ารูกยี่ก็นิมนต์ไปเป็นพระผู้ใหญ่ในประเทศไทยนแน่มีกันแม่ตรงเดชนรันรมราชจะไล่ลงมารองสังเกตอจารยกรมชัน้นต่ำชั้นเทพชั้นรา้ชันสามัญก็มีในกลางพระนั่งอาจารย์ฤาษีลิงดำก็จ็ตอันดับลงไปด้วย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 สักจาริยสติตสมาธิปัญญาเนี่ยอธิบายว่าอย่างไรเดี๋ยวพระเจ้าเข้าห้องน้ำเลยก็ออกมาข้าง น, อ, อ, านอกจะให้ดูสีลิงดำต่อพอได้ออกมาถามว่าหลวงพอ่อกํารมหน้าประการนี้คืออะไรอพอนี่หลวงพ่อเข็นลึกไม่ได้แค่ถามแค่ต้องถามพระเริงเจ้าเป็นจำเจ้ากันจะบอกผลหน่อย ไอ้กำลังกำลังอานุาจของจิตมีอะไรอย่นี้มีอะไรนะของหน้าว่าท่านของนี้ตอบนะท่านจะไม่ได้นะเดินสัจจะวิญญาติสมาธิปัญญาแต่ว่าสัจจาพลังมีกําลังด้วยสัจจะวิญญาพลังมีกําลังด้วยความเพียรติพลังมีกําลังด้วยมีสติสมาทิพลังมีกําลังด้วยสมาธิปัญญาพลังมีกําลังด้วยปัญญา มวอนี่หลวงพอ่อวัดจำมงคลธรรมยายนที่ก็ดังในทั่วไปเนี่ยจำบาลังจิตจิตาลูก้าเนี่ยก็มาจากนี่จำมาหา้าข้ออะไรอยา่งางยงห้าข้อนี้จำไม่ยากเอาข้อที่หนึ่งนะจิตตานาลนามให้เชื่อกรรมเด็ดขาดเราจะดีเราจะดีจะชั่วจะถูกจะทุกขจะดีจะจนนีมาจากกรรมเชื่อว่ามาจากกรรมแน่นอนการที่เราจน กรรมของใผลกับเราหลังาปากเจ้าแค้นอดอยากปากแห้งเพราะเราไม่เคยทาบุญทำทานแต่ที่เรามีกินเหลืออยู่และชจ้าสุขสบายจะนุ่งจะหมวมจะไปยอดไปไปหไหนมีเรือมีรอดจากนี้นี่ก็มาจากการทําบุญทาทานม า, จากจักราสัมปดาหรือจักราพลังเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนเชื่อความกจามัจจารูของพระพุทธเจ้า แต่๋ยววัฒนาธรรมชานติมพร้อมด้วยความเชื่อเชื่อว่าตัวเรานี้ที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ใหญมาจากกรรมตัวเรานี้กําลังมีรองหมายแก่อยู่ก็มาจากกรรมของเราที่ทําให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เราได้เด็กได้ไดีทำงานดีเงินเดือนดีอายุ ม, มันขันยืนรูปร่างเทวดาลูกโถ ย, ยรวยทรัพย์นับพิจามารนายญาติภูรีใีเทียนดำก็มาจากกรรมข อ, ของคน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 ให้โอวาในวันสงการานเพื่อจะลองวันสงครานก่อนที่สงคานจะเปะิดเช่นนี้เขาเรียกว่าที่ดีพอที่ดีคนรู้อะไรก็เมาพอมาเขาก็าจำบุนอะไรนั้นาาก็ออกมาถวายพระอั น, นี้ก็ไวาย ร, ระราคาบางฟังมชั้นอะไรแต เ, เพราะว่ามีกีิกาไม่มีกติกปปเป็นคนความฟเผอเปเป็นคนเพียนเพียนไปบุญก็ไม่ทํากรรมดีก็ไม่สร้างองไม่ได้อีก็ต้องมีกติกาด้วยใ้ เอรลือ้ที่สุก็อาณาานัตนี่ชเออกไนี่อไม้ใจ้านี่ดอกไม้ใจออกเจ้าพูดรก็พูดตตัวตัว่าในใจนะตัวอะไรนมัออกเพราะนี่น่ะยอดใความจบคนมีเงนมีทองเยอะแยะอาจจะไม่ถูกนะแต่ถ้าาใจมันถูกมันถูกจริง ไม่มีอะไรเลยเลิกจากความสอบที่ความบุกเบิกเกิดจากความสงบเลิกที่สุดเรียกว่าได้ยืนดัคพลจะรดประงากัรสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้มีสติอาณาปณะสติจะเลึกถึงเราไม่ใจต่หอหมรน า, านุส ต, ติจะเลิกถึงวามตายมาึงเราเอาจะเลิกถึงวานตายดีถรงไหนดีดีมันไม่ปรมาทพเราเกิดมาตายอะไรก็ต้องตายแน่ๆในวันใดวันหนึ่ง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 ยามเย็นเล่นกับลูกด้วยทำมวยบ่อนนี่ขาแต่เงและข้าก็องเตือนตัวเองด้วยว่าเราเป็นเกรเรไม่ไม่พนจากจะไม่ตายจะต้องตายแน่นอนกานเกิดเป็นพระพระเจ้าแดินที่ดีขงเดินติดตรงถินตรงตามแม้ที่อาคารนี้ตามประวัติพระองค์แต่ไม่เลื่อนโดยการที่หน้ท่านชื่อวัดนครนายส่ไปเรืยว่าเมืองบ้านเมืองไทยต่อต่อไปจะต้องแก่อะไรข้างหน้า ท, ท่านมีปืนปูนฐานปูนฉาญไว้นาจะกาญนี่เป็นกนคิดด้วยที่เริ่มทําด้วยกานเป็นกระดาที่ยิ่งใหญ่อย่างไนชื่อหนาใหม่ว่าปีประปรียาน่าระจะเป็นดินที่น่ารักเกินนรับที่ท่านไปถือตัวท่านทําประโยชน์ให้กับเมืองไทยท่านว่าเร่าแล้วหม า, หายตาจากเพื่อนไทยต้องเจริญที่เจรินป้าผ่านด้วยซ่านี่อาจารย์ มาปรนั้รมาจากใครมาจากพระเจ้าแผเนดินองที่งามการคิดว่าเราต้องมาเอปอ น, นไปต้องเดนม่ให้ลูกหลานเราลูกหลานที่เป็นต่ประการลูกหลานที่เกิดเมื่อไประการยามยจนค้นแกนเราจะประเมินไปก่อนเดินให้เป็นคนที่อนใจได้เมื่อยามทกเข็นอะไรเกิดึ้นตะป้อนเมืองเจ้าโรคไข้มานี จะต้องเอาเงินของท่านมาใช้ได้ที่อาจารย์มาวัทําไบตั้งแต่ท่านทิ้งไปจนไปไม่มีใครที่จะทําผาา้าป่าให้เจ้าอาจารย์มาบวัวเจอแล้วพันสามต่อจากพเจ้าไปเองรองพิธีนา่านยังได้ทําผาา้าป่าให้เจชาได้เงินได้ทองได้ดอลลา่าได้ไรโอ้นับเป็นเงินแสนล้านก็ยังอยู่ในน า, านาชาติกรุงเทพอย่างนี้ยวันไหนวันเมืองลูกเกงไม่มีเงินจริงรเพราะกรณีใช้ได้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 รบดอนอย่ารับไ่บที่ใจรับของพระเจ้าอยู่มรดานี้มีไมแกว่ามีมมงไมือไหวโยมเป็นอนุสรยิร่งใจญ่้าเนกาัสูงด้วยยศสารรญดาดอด้วยนางกระไรก็สูงส่งเป็นคนที่หน้าตาไม่ถึงตัวแต่เด็ดไปไหนก็เป็นกนันเองกัเป็นญาตนเราถึงถ้าจวนโที่สวนโอนนะทานนวลในวันสงการนี้เพื่ทาา่านไปเขียมลงไปทาอยดีงนี้นก็ได้ขอเกนกะ รัคกคนปกครองรักคนเจ้าวันสูงทรงเข้าไปเจ้าเป็นลูกเป็นหลา น, นเมือง น, นี้ได้กินได้อยู่กับสถานที่นี้ขอเอาที่ส่วนบนให้ถึงตรงท่านดวงพระวิญญาณถึงสถิตนักสถามไม่มนใดจงรับทราบรับรู้หมองฉันเข้าไปเจ้าขอทีส่วนบนไว้ให้เจ้านให้ทจ้าได้ยืมดำออนใจรอดแห่งบนป้ายตระกู่ในที่สูงในคนจากทุกไปทุกอย่างถ้ า, ากลับมาใหม่ก็นาเกลเจริญให เราจะเกิดการศึกษาในการต่อไปก็ได้บนโลจิสติกสติทงไปลงในฐานที่เขียนชื่อ น, นี่ยอมยันนักกว่าไม่มีความหมายบนโลจิสต์ระบุชื่อก็อย่างนี้นี่โบรเราญาตเรานี่กนที่เรานับถือนี่กรักที่เรียนไหวไปเกิดท้าวเจ้ากอเท็ส่วนบนไปว่าในใจชื่เขียนลงในกระดาษแล้วก็ไม่พ้ามังสะพูนนักท้นที่เจาวัชจรัตน์จันทรายถูกละโจรเขาเรียกว่า โอเจตให้เทวตาเทวนาปรีด้วยปกแปรปกปรีปกป้าเปรีปกปเปรีะเปรีโอเจตไห้แกจัดต่วนเพื่อเกิดแกเกิดตายที่ทางโอเจตไปนี่เหมือนโทรศัพท์มันโดนระลึกเลยว่าโทรศัพท์ไปว่าดวงมิญญาณบางท่านอยู่ที่ไหนที่ชื่อนั้นคนที่อยู่โลกเราก็ตอบมาได้ว่ารับแลวรู้แล้วแล้วก็ขอบนกุศลที่โอเจตสวนบนมาให้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 ร่างตายจะหลายไปด้วยพลยพลวนก็นเขาไปหมดแนวแต่ใจคนไปขอไม่ได้กานเก่งไปอยู่ยามศึกษาเงิเดิมแล้วแต่การที่ตรงไปเพราะฉะนั้นวันนี้การได้าบุญบารมยียิ่งใหญ่ขอบุญบารมีนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ตาปกปักรักษาด้านให้จบสามัญด้วยอายุวรนนะสุขกันนะจริงไรเป็นควา ม, ามวดีกลดเหือบชนอชนะความโต เป็นไรเป็นความร้ายเป็นความทุกข์เป็นความยากเย็นเกินใจจงบวชไปขึ้นไปในตัวด้านความดีอะไรอายุวันน้ากุขภาพนะาลาบยอสชนะเจอและความทุกข์ทุกขีพิการจงบังเกิดเก็บนา่งการของด้านทุกๆคนเธออาชีพทำงานอยูดดด่า น, น, น, านานนานจะพบกัอนอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเวลาเป็นปี เมื่อก่อนสม า, มาตามนของเจ้าหน้าที่มาตรวจมนอาจารย์นี่กมีโรคร้ายเกิดขึ้นก็ระบาดต่อเนื่งไปทีนี้จะฝากอะไรว่าจะอยากกับย่างโดมในจําาที่จะถามคณะถามเองจะตอบเองว่า <c oughs> อะไรนะในร่องนี้จะมันเร็วที่สุดยอมตอบว่าใจมันเร็วกระสูกแต่ว่าใจดุใ่นั้นเราห่า น, น เพราะว่าี่วันนานหวาเป็นจรวดที่เร็วเถิงเร็วเพราไอ้จานอื่นยังเร็วกว่าสายอนิวาตวาจะป่าเรียบ่าลงมาถูกวัวถูกว่าจควมันเร็วตาที่เย็นก็เร็วโอที่ควันก็เร็วจะหมูกน้องเป็นเลี้ยวรสหอมหวหวานเนี่ยหอมหอมยังไงมันก็เร็วลิ็นรสหวานมันเ็มกรูกเร็ว กายกำปัจเจเนีนอมแสงกระ้เร็วตาที่เห็นกระลเร็วว่าอะไรเป็นอะไรนี่นั่งนั่งคนเดียวตาเป็นนรอนี่ผู้ยญิงนี่นี่ผู้ชายนันนั่นแบบโจหน้าต่างนี่นั่นก็เะ้าวอีเี๋ยมันรู้เร็วใครดูใจร้ายมันยังรู้โตร่างกายอัหล่ออันหล่อต่างว่าทางโานใครสบายมันยังรู้เร็ว โซดาตัดโซดาเร่หรือว่าเทปโซดาค่นี่รเรากวพรับแข่งพวกมันก็รเร็วถามโยมว่าอะไรเร็วกว่านี้นี่เหมือนจ ะ, ปะเปลียวนี่จะตก <c oughs> จะเล่ารเรื่องราบอบ <c oughs> มีพระราชาองค์นึ่งตัานดื่มน้าจานจะกินเล่าทุกวันหนึ่ง <c oughs> ประชาชนจะเดือนก็ไม่ได้เพลงใดท่านถ้าไม่เตือนก็ไม่ได้ ้าดีต่างๆมาเสนอเรื่องนี้ของเราน่ะก็ดีเรื่องคนฆ่ากันใจแต่ว่าอะไรนะไม่รู้เรื่องนะข้อมองในบ้านเมืองยุ่งจําในประเทศนั้นี่การทํางานแบบพุทธเจ้าเราน้ะเกิดเป็นพญาโยมทองอยู่ในป่าอยู่มะพร้านเป็นจากที่มีบุญเราเป็นแบบพุทธเจ้าต่อไปก็รู้ว่าพระราชาในโลกนี้ในร้ายที่สุด ถ้าประชาชนเมาจะโคตรหนักถ้าเขาเมาเองมัรจะจับแกหนัก เ, เพราะฉนั้นเราองเดียวแนี่เราผูด้เดียวจะต้องไปช่วยโดยบินมาจากฝ่ายเมื่อวานบินมาจังหวัดชเวียนรอบเปรตปรเวียงวางอยู่ประชาชนตอนนี้มันสามเมากว่าจิงอาบัญจรนตันหน้ากลางกำลองเห็นนกก็ถามพวกอธมหานนะั่นอะไรบอกนี่เป็นนกยูง เป็นปัญญาดูพอเป็กเป็นทองคาหน้าตาปัจจุบันด้วยเป็นปัญาแล้วก็มีแววที่งามเชื่กว่ามีแววที่เปเดวมัแวววายุราแวววยุราแววแววหวานมันสวยท่านก็ถามว่าไอ่นกอยู่มันชจ้าต่างไงก็บอกมัาเจ้ารำเรียว่าราแพรทําย่งไรไอ้รำไม่มาให้เราได้ก็ไปหานักปีติมาดิส่วนหญิงตีเอง รออ้องเพลงรอบๆ่ะเสียงี่นะอามองร้เพลงประจานเสียงด้วยเขาก็ไปเอาดนตีสตดีนิสมาราชินีรอมันมันนั่งอยนพอเขาบรรเลงทานั้นมันรองเขึ้นไปดังแล้วดัมเบิวิร์กอยู่บนฝ้นไม้ประชาชนทายังไงจะกดไอ้มหายได้เขาบอกว่าเอาเพลงมาร้องกหถึงได้นียไอ้พวกเพลงบันเลงเสียงบันเลงเพลงดนตรีไปดีไรยมา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 พอน้องรู้ตึตัวโอ้พระราชามาถูกวเรานี่นองบอเลออยต่อยไปน่ยพระราจาว่าไม่ต่อตัวรกเราเป็นพระราชาที่มาที่ยวประเทศทอวดดีอนี้นะแล้จะมาทาไมน้อบอกว่ามาเพื่อท่านนี่ยเอาเพื่ออะไรล่ะต่อเมียเนี่ยกานชินาวเลยจินาวนใชไหมแต่อาจารย์นี่นพูดอะไรตรงกินอะรตรงกินการทาไม่ดี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 ถ้าไปหาคนแม่กปืนมาจากพวคนนี้ให้จริงข้าพเจ้ายิงเผาขนเลยข้าพเจ้าจะติดเก็บลูกกระสนากราสรมาศได้ลูกกระสุนกาลังกุ้งแรงในโยมความเร็งมม็มีความเร็วมันจับได้นะเขายิงลูกกระสุนมาบอกพวกลูกนกควา้าทีเร็วเองปราจาว่าเอ๊ก็ยิงระยำเพรายิงกันนานแล้วพราะความเร็วของนอกที่มันจับลูกกระสุได้เนี่ยอด ทีพระเาจาเราโอ้โอไม่เคยพบตัวเห็นเวยแล้วอะไรมันเร็วกว่านี้่ะนักบอกว่าความเร็วกว่านี้ยังมีในกัวได้เนี่ยแต่ชาวพเจ้าด้วยเป็นมนุษย์เนี่มีความเร็วอยู่เร็วกว่าหัวใจก็ใจมันเร็วนั่อกับภาษมันโยนโยมแต่อะไรเร็วกว่าเร็วกว่า น, นั้นน่มันเร็วจริงๆยมลองต่อเองว่ า, อ า, าอาจามาจะพูดในจักรงกันไหม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 โรคไปเร็วโรคไปาลาโรคนี้ยังไม่มียารักษาต่อยหมอที่ว่ากุมารรกาแต่รักษาไม่ได้พระมันเร็วที่ตัวความแก่ย่อผู้หญิงผู้ชายนาตาดีๆหญิง้วยหัวดีนั่งดยู่นี่นึกมาขาวมเป็นแต่ดีใจไหมเคยวิ่งเล่นเนตรงน้ำอยู่กันนั่นเดี๋ยวนี้ทำไมมันมาเป็นขั้นนี่แล้วล่ะทาไมขาเหมนี้ล่ะทำไมดวงารแว่นเลยล่ะทำไมจะต้องเดินก็ไม่ปวดหงแยเลย่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 ก็จะเปลี่ยนแนี้เว่สุภจงมัแ่ารไล่ตัายนเด